จะได้เริเ่มเริ่มบำเพ็ญตั้งธรรมความเข้าใจให้ถูกต้องสามมาทิติแปลว่าความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือการมาเกิดของเราในเรื่องนี้เป็นเหมือนการแวะจอดรถ การสถา น, นบริการต่างๆเป็นการอยู่ชั่วคราวเป็นการจอดและเพื่อเติมน้ำมันเติม น, น้ำเติมอาหารหรือซ่อมบำรุงรถยนต์ที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้สําหรับการเดินทางโลกนี้ไม่ใช่เป็นบ้านของเราไม่ใช่ที่อยู่ของเรา บ้านของเราเป็นมายปลายทางของการเดินทางของเราก็คือพระวิหานขอให้เราคิดอย่างนี้เสมอเราจะได้ไม่หลงกับการแวะจอดอยู่ตามสถานีโดยการต่างๆตอนนี้พวเรามีวิชาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่า ชีวิตนี้เป็นชีวิตของเราเป็นโลกนี้เป็นที่อยู่ของเราเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางไปจากโลกนี้เราก็เกิดความเศร้าเสียใจเกิดคว า, ออามอาลัยอาวรณ์เพราะเราลืมลืมความจริงไปความจริงก็คือเราเพ่งจอดลถเพื่อเติมน้ํามันรถรับประทานอาหาร แล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อไปคนที่เราพบกันรู้จักกันก็เป็นเหมือนคนที่เราพบอยู่ที่สถานีบริการพอเราเติมน้ำมันเสร็จเติมอาหารเสร็จเติมน้ำเติมลมให้กับรถถ้าเราต้องขาดอะไรไม่ต้องซ่อมอะไรเราก็ซ่อมกันไปพอซ่อมเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อไป ไปให้ถึงบ้านของเราเพราะเมื่อถึงบ้านของเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องทุกยากกับการเดินทางต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะเตือนใจเราเสมอว่าเราเกิดมาในพวนี้ในเรื่องนี้ก็เพื่อมาเติอนพลังเตืนน้ำมนแห่งธรรมะนานาน เราจะได้เจอสถานในบริการที่มีธรรมะส่วนใหญ่สถานในบริการที่เบ า, าจะจอดเติมน้ำมันจะไม่มีธรรมะเพราะว่านานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นสักคัหน่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดเซลเพื่อนานเอาธรรมะมาเผยแผ่ สอนให้แก่สัว์โลกธนาก็เป็นเหมือนแผนที่ซึ่งในบางประเทศที่สถานีบริการทุกสถานีเขาจะมีแผนที่แจกเวลาเราเดินทางไปแล้วเรงไม่มั่นใจว่าเราไปถึงทางหรือเปล่าเราก็มักจะแวะที่สถานีบริการเพื่อขอแผนที่เพื่อดูแผนที่ <c oughs> เพื่อเราจะได้ เดินทางให้ถูกทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนแผนที่ถ้าเราไม่มีแผนที่การเดินทางของเราก็จะเป็นการเดินทางไปในทางที่ไม่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง สู่บ้านของเราได้ดังนั้นชาตินี้เราได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาะ <c oughs> ถือว่าเป็นโอกาสอันอันเลิอันประเสริฐเพราะมีธรรมะให้กับเรามีแสงสว่างนำทางมีแผนที่บอกทิศทางให้เราได้ ดำเนินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราวีธรรมะคอยเตือนใจคอยสอนใจไม่ให้หลงร ơ เิงกับการหยุดพักผ่อนตามสถานีบริการต่างๆว่าเป็นความสุขเพียงชั่วคราวพอต้องออกเดินทางไปความสุขต่างๆเหล่านั้นก็จะหมดไป ถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีธรรมะการออกเดินทางไปก็จะเป็นการเดินวนเวียนกลับมาที่เก่ากลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาหลงกลับความสุกเล็กๆน้อย ๆ, ๆที่ได้จากการมีร่างกายมี ตาหูจมวกเล่นการที่ใช้สำหรับการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะที่เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยและมีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่แถามมาด้วยเพราะความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปุถภะเป็นความสุขเพียงชั่วคราว แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขที่สร้างความอยากให้เกิดขึ้นเวลาเกิดความอยากก็จะเกิดการทุกข์ mm hmm. เกิดความกังวละวาด mm hmm. เกิดความกระสับกระส่ายนอนไม่สบายใจที่ต้องปลับนอนให้ใจไปหา รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะมาเสพผิวเรื่อยๆเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดที่ต้องเสพผิวเรื่อยๆถึงจะมีความสุขเวลาใันที่ไม่สามารถหารูปเสียงกิิ่นรสโผฏพะมาเสพได้เวลานั้นก็เกิดความเศร้าส้อยหว้อย่าง เกิดความไม่สบายใจเช่นเวลาเจ็บข้าได้ป่วยไม่สามารถออกไปหารูปเสียงกิลมลดโภธาภะมาเสดได้หรือเวลาที่ไม่มีเครื่องมือคือเงินทองที่จะต้องใช้ในการหารูปเสียงกิลมลดโภธาภะมาเสดเวลานั้นก็จะเป็นเวลา ที่ไม่สบายใจเวลาเศร้าส้าาา อ, ยาอยง่วงเวลาว้าเวีเปล่าเปลี่ยวเรียวด้เพราะว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์นั่นเองเป็นทุกข์เพราะเกิดจากความอยากเกิดจากความหิวของใจที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอกับการเสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั่นเองนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีธรรมะมาสั่งสอนเวลามาเกิดในในโลกที่ไม่มีธรรมะผู้ที่มาเกิดก็จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเป็นเสียงให้ความสุขกับตนแต่ไม่มีความฉลาดพอที่จะรู้ว่า เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขชีวิตของมนุษย์ที่ไม่มีธรรมะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นชีวิตที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆกับความเกี่ยวการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทปะและความทุกข์ที่มากที่เกิดจากการไม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทปะนั้นเอง แต่พอมีพระพุทธศาสนามาปรากฏก็จะมีผู้บอกให้รู้ว่าการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโถทอดะพะนี้เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณเพราะว่ามันต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาใดที่ไม่สามารถเสพได้เวลานั้นก็จะต้องทุกข์ใจต้องไม่สบายใจ ควรหยุดเสกควรหาความสุขที่สามารถเสกได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือความสุขที่ได้จากการภาวนานี้เองความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบจากการเจริญสติควบคุมจิตใจ ให้ละนัความคิดกลุ่มต่างๆพอจิตใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใดไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดร่างกายจะ เป็นปกติหรือร่างกายเจ็บไายได้ป่วยจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์ก็ตามความสุขที่เกิดจากการเจริญสติทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเช่นเวลาเจ็บไายได้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงก็ยังสามารถพอนาได้เจริญสติได้ ทำใจให้สงบได้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่นะนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแอดเป็นความสุขที่ถาวรเพราะเป็นความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้ใจสามารถนำความสุขนี้ไปได้เวลาที่จะต้องออกเดินทางไปความสุขนี้แหละที่จะเป็นบ้านของเราในที่สุด ถ้าเราสามารถรักษาความสุขนี้ให้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ให้มีวันหมดไปด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเจริญสติเพื่อทำให้จิตเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญารักษาสมาธิรักษาความสมุบเวลาที่จิตออกมารับรู้ เรื่องราวต่างๆมารับรู้รูกสิยงจิ่ลดปวลท่มาร์มารับรู้เรื่องสังขารความคลื่อนไหนต่างๆก็ให้ปัญญาคอยส ก, กัดไม่ให้กิเลอยมาหลอกมาลอ่อให้ไปผลิตความทุกข์ขึ้นมาภาในใจถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสามารถระงับความโลกความอยางต่างๆได้ เพราะปัญญาจะชี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่โลภสิ่งที่อยากนั้นไม่ได้เป็นความสุขเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแต่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าอย่างที่ได้สแสดงไว้เกี่ยวกับลูกเสียงกลิ่นรสปวดทับท้องถ้าเราอยากหาลูกเสียงกลิ่นรสปวดทับท้อถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะบอกว่ามันเป็นเหมือกับการไปเสพยาเสพติด เสรแล้วมันไม่อิ่มไม่พอมันกลับจะหิวจะอยากจะเสกขึน้นไปอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสกก็จะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องคอยสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากจะเสกนั้นไม่เที่ยงไม่อิ่มไม่พอเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ สั่งให้มีอยู่ได้ตลอดเวลาบางเวลาก็มีบางเวลาก็ไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันไม่เนิ่ ม, มไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีจริ้มนมีเสือ่อมมีมามีไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะคอยสอนใจ ไม่ให้อยากกับสิ่งต่างๆไม่ให้อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ให้อยากกับลาภยศสรรเสริญไม่ให้อยากมีอยากเป็นไม่ให้อยากไม่มีอยากไม่เป็นเพราะความอยากหลานจะทำลายความสงบทำลายสมาธิที่ได้จากการเจริญสติทำจิตให้สงบ พอออกมาตรงต่งงไปในทางสมุทยัยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบก็จะถูกทำลายไปแต่ถ้ามีปัญญามาสกัดทุกข์ั้งเกิดความอยากก็สอนให้ระงับความอยากพอระงับความอยากได้ความสงบก็กลับเืนมา ปัญญาทานกับความอยากทานกับติเลสทุกประเภทเพื่อสามารถสกัดความอยากสกัดสติเลสทุกประเภทได้หมดพอไม่มีสติเลสไม่มีปัญหามาผลิตความทุกข์ให้ใจใจก็จะมีความสุขไปตลอดเวลาแสดงว่าใจได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วได้เดินทางถึงบ้านที่ เป็นต่ด้วยเพื่ออำนวยความสุดทุกรูปแบบคือพลังงานฉุกเฉินขขอนีกที่จะบริการความสุขทุกรูปแบบให้แก่การก็คือพลังงานเฉยหย่านนั่นความว่างจิตที่ว่างจากปัญหาทั้งหลายนั่นเองจิตที่ว่างปราศจากความโลภความโกรธความหยงปราศจากกา ร, การะ ว, ะาวัระวะตัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหา จิระนับความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่ออำนาจของสติสมาธิและปัญญาจิต ก, ก็จะอยู่ในความว่างตลอดเวลาถึงแม้จะใช้สังขารมาคิดปรุงแต่งก็จะไม่คิดไม่ใช้สังขารให้คิดไปในทางสมุทัยไม่คิดไปในทางการว่าปัญหาเพราะว่ปัญหาวิเพราะว่ปัญหา เช่นพระพุทธเจ้าทรงใช้สังขารความคิดปรุงแต่งในทางธรรมะในทาง ส, าสอนสัจโลกให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การคิดเหล่านี้ยังมะกไม่ได้เป็นสมุทยัยการคิดที่จะทำลรมรากเกลือตัณหาถ้ามีอยู่ภายในใจ แต่ถ้ามันมีภายในใจก็มีไว้สำหรับชาตสอนผู้อื่นต่อไปตาจารยของ พ, พ่อขุธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่อาไม่คิดไปในทางสมุทยัยอีกต่อไปพ่อเห็นโทษของการคิดไปในทางสมุทัย น, นั่นเองเห็นโทษในการคิดว่าสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้เที่องแท้แน่นอนสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้เป็นความสุข เสิ่งนัง้นเสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราก็เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงเป็นความคิดท uh um> ี่จะทำให้เกิดความหลากขึ้นมาความคิดที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาท่านได้ผ่านความทุกข์ของความอยากล่านี้มาอย่างโชคชะลอมแล้วเห็นโทษอย่างโชคชวนแล้วเก็บลากอย่างโชคชะลอมแล้วก็จะไม่คิดอยาก กับอะไรทั้งนั้นเป็นอะไรมองอะไรก็จะเห็นไายตาความนจริงว่าทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้แหะจะว่าดีก็เป็นเรื่องของเขาจะว่าไม่ดีก็เป็นเรื่องของเราของเขาถ้าเราไม่ประหยัดให้เขาดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่ถูกเราไม่สามารถที่จะไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีให้ดีได้ หรือเราไม่สามารถทำสิ่งที่ไม่ดีให้ดีหรือสิ่งที่ดีไม่ให้ดีได้สิ่งต่างๆเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาที่ทำให้เขาดีหรือไม่ดีหน้าที่ของเราไม่ใช่อยู่ที่การจะทำให้เขาดีหรือไม่ดีหน้าที่ของเราเพียงแต่รับรู้ว่าเขาดีไม่ดีแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ไปมีความอยากให้เขาดีหรือไม่ดี เพราะนั่นจะเป็นการสร้างความทุกข์ใจให้กับเรานี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าการดําเนินชีวิตของเรานะี้ควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรเราควรจะดําเนินชีวิตไปสู่ความสงบของใจสู่การปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นเป็นอย่างอื่นไปได้เปลี่ยนได้ก็เป็นการเปลี่ยนเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็อาจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนอย่างท้าววนเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเปลี่ยนหลยอีกเวลาเขาเปลี่ยนไปอีกไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตเพื่อให้เรามีความสุข การดำเนินชีวิตที่ให้เรามีความสุขก็คือเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือสอนผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงอังนนี้ให้เขารู้ความจริงอังนนี้เพื่อเข้าใจ ได้อยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไม่ดึงร้อมใจไม่ทุกใจนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งใดๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นแหละคือการเดินทางของเราเพื่อให้ไปถึงบ้านของเราบ้านที่ไม่มีความทุกข์การที่จะไม่มีความทุกข์ก็จะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง การจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี้อย่างไม่สามารถที่จะไปไปเปลี่ยนไปทำอะไรต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของเราได้และไม่ใช่หน้าที่ของเราและก็ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขให้กับเราลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรา เราทุกคนไม่มีใครอยากมีความทุกข์กันอยากมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นเราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้าจของเรามีความสุขก็คือต้องปล่อยวางต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเจริญอา น, อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็ต้องเจริญสติก่อนหยุดความคิดปุจจิตให้ได้ก่อน พอหยุดความคิดปรงแต่งที่จะคิดไปในทางอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากจะให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ได้แล้วเราถึงค่อยมาสอนใจให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็จะหยุดความอยากไม่ได้สอนสอนใจอย่างไรว่าให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าใจยังอยากอยาก ยุ่งกับสิ่งต่างๆอย่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้าใจสงบแล้วใจจะหยุดความอยากชั่วคราวพอออกจากความสงบจะพอพอจะออกไปอยากเพิ่มนั้นอย่างนี้ตอนนั้นก็ใช้ปัญญาเข้ามาหยุดได้ ง, ง่ายได้ถ้าจะหยุดในขณะที่ความอยากยังมีกําลังมาก ยังไม่ได้หยุดนี้จะไม่สามารถหยุดเขาได้อย่างคนที่ยังไม่มีสมาธิเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วรู้ว่าว่าความทุกข์เกิดจากความอยากรู้แล้วว่าสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คืออนิจจังทุกขงังอนัตตาแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้เพราะว่ายังหยุดใจไม่ได้หยุดความชั่ไม่ได้หยุดจิตไม่ได้ ยังไม่มีสมาธินั่นเองแต่สำหรับผู้ที่มีสมาธิแล้วหยุดใจได้แล้วพอรู้ว่าต้องสอนจังให้หยุดความอยากด้วยการสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็จะสามารถหยุดความอยาก่างๆได้นี่คือความจากการระหว่างผู้ที่คําธรรมและบรรลุ กับผู้ที่ฟังทำรรยังไม่บรรล mm hmm. ุก็อยู่ที่สมาธินี่ในสมัยพระพุทธการเวลาที่พระุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาเทศนาในระยะรรแรกๆจะทรงสแสดงให้แก่นักบวชทั้งหลายนักบวชที่มีศีลมีสมาธิแล้วพอฟังทมฟั ง, งปัญญาที่พระุทธเจ้าทรงสแสดงให้เห็นก็บรรลุเป็น พระอาหารกันในขณะที่ทำธรรกันเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกันเลยเพราะว่ามีสมาธิเป็นเครื่องรองรับธรรมมีเสียงมีสมาธิเป็นเครื่องรองมมรับปัญญาั้วยอีกปัญญาจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนสมาธิ จะมีประโยชน์ได้จะมีอ น, นิสงส์ได้ก็ต้องมีศีนเป็นผู้สนับสนุนจิตจะหลุดพ้นได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้สนับสนุนนี่ เ, เป็นขั้นตอนของการทำงานของมรรคเป็นอย่างนี้มรรคจะไล่ขึ้นไปจากศีนสู่สมาธิสู่ปัญญาสู่วิมุตติสู่มรรคผลนิพพาน ไม่มีทางอื่นเหมือนกับขึ้นบันไดจะขึ้นจากชั้นสี่ลงมาชั้นหนึ่งไม่ได้จะต้องไม่ใช่จากชั้นสี่ลงมาชั้นหนึ่งหมายถึงชั้นสี่ไปสู่ชั้นห้านี้ขณะที่ตัวเองยังอยู่ที่ชั้นสูงอยู่มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีติ๊กที่จะดินขึ้นไปชั้นห้าต้องเดินขึ้นชั้นหนึ่งก่อนจากชั้นสูงก็เดินขึ้นชั้นหนึ่ง จากชั้นหนึ่งก็ขึ้นชั้นสองชั้นสองก็ขึ้นชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าไปตามลาดับนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเพราะทุกวันนี้ได้มีได้ฟังว่ามีทิฏฐิทางหลายรูปแบบเมื่อวานนี้ก็มีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสีนสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าสอนปัญญาสีนสมาธิเป็นอย่างนั้นไป นีก็เป็นเพราะว่าพจะจะระพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาก่อนแต่ก็ไม่ได้คำใหยคําว่าให้ปฏิบัติศิ่ก่อนในมักแต่ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก่อนเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดชอบก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเห็นว่า การทำบุญให้ทานรักษาศีลการภาวน า, า, าเป็นการพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นนี่เราก็ต้องมีปัญญาก่อนพอเรามีปัญญาแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องรักษาศีลเราต้องทำบุญเราก็มาทำทานกันถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็ค้องเอาเงินไปเที่ยวันแล้ววันนี้เรื่องอะไรมาทำบุญทำทานให้เสียเวลาไปเปล่า เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มสนุกสนานเฮฮานั่นเป็นเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาก็จะคิดกันอย่างนั้นผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะไม่เห็นคุณประโยชน์ของการทําบุญของการรักษาศีลของการภาวนาของการเจริญสมาธิเจริญปัญญาเขาก็เลยต้องไปาหาความสุขกับรูปเสียงเ ก, กิ่ดลบผลต่อพระ แต่ผู้ที่มีสมาทิฏิมีสัมมาสังกัปปะในระดับเริ่มต้นก็คือเห็นว่าการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการดําเนินพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงพระเจ้าสอนให้ ท, ทาําตามให้รักษาศีลให้เจริญสมาธิเจริญปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาใช่ไงมแต่เป็นปัญญาปัญญาขั้นเริ่มต้น ก่อนที่เราจะไปสู่ปัญญาขั้นวิปัสสนาขั้นสุดท้ายได้เราก็ต้องมีปัญญาขั้นต้นก่อนการปฏิบัติทางนี้มีปัญญาทุกระดับต้องใช้ปัญญาทุกระดับไม่งั้นก็จะทําผิดทาถูกกันขั้นทําทานก็ต้องมีปัญญาว่าทําเพื่ออะไรท่านรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาว่ารักษาศีลเพื่ออะไรท่านสมาธิก็ต้องมีปัญญาท่านปัญญาก็ต้องมีปัญญา มขาเีปัญญาเป็นมดทุกขั้นดังนัพวกที่เป็น่วกนกแก้วพวกที่อ่านหนังสือตามตัวอักษรก็จะมานั่งเถียงการปากเกลียดปากฉีกว่าปัญญาต้องมาก่อนออสีนต้องมีปัญญาก่อนแล้วค่มีศีนมีศีน์แล้ว่มีสมาธินี่คือคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าในมัคแปท่านสอนอย่างนั้น ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสัมปปะเราถึงจะได้มามีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาวาโยสัมมาอาชิวะต่อจากนั้นก็ไม่มีสัมมาวาโยสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นการแสดงเพื่อให้เห็นความสําคัญของสัมมาทิฏฐิว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อน เช่นเมื่อกี้แสดงตอนเริ่มต้นก็สอนให้รู้ว่าเราต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าเราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาทําไมด้วยว่าสถานภาพของการมาเกิดในโลกนี้เป็นอย่างไรก็เป็นการมาเติมพลังมาเติมธรรมะเติมน้หม่เป็นสถานีบริการเพื่อที่จะพาให้เราได้เดินทางไปถึงจุดน้ายปลายทางนั่นเอง นี่ก็คือเรื่องของสมาธิิโดยหลักแล้วต้องเป็นทานศีลภาวนาไปสำหรับผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ต้องสละทรัพย์ไปก่อนต้องทำทานไปก่อนเพราะตราบใดยังผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็จะไม่สามารถออกไปอยู่แบบนักบวชได้ จะต้องเสียเวลากับการมาบริหารจัดการทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็จะไม่มีเวลามาภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดแล้วแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชก็จะมีเวลาที่จะมารักษาศีลได้ตํลอดเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญา ได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหละถ้าได้มีเวลาปฏิบัติอย่างนี้แล้วการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานภายในเจดวันหรือเจดปีจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตลอดยุคทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่ยุของพระพุทธเจ้าจนถึงยุคปัจจุบันนี้ถ้ามีการปฏิบัติมีปฏิบัติชอบแล้ว การบรรลุมรรคผลนิพพานภายในเจ็ดวันนี้เจ็ดปีนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏมาอย่างต่อเ น, นื่องตลอดมาไม่มีอะไรที่จะน่าเคือบแคงสงสังสยเลยเพราะเป็นความจริงมีผู้ที่ได้ปฏิบัติและได้บรรลุมากันแล้วเป็นจำนวนมากด้วยกันดังนั้นขอให้เรา จ o งสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นว่าเรามาเกิดใน่วงนี้เพื่อมาเติมพลังเติมน้ำมันคือธรรมะให้แก่ใจขอ ง, งเราด้วยการปฏิบัติตามที่พราจะจ้าสรงสั่งสอนคือให้ทำทานจนกว่าจะไม่มีอะไรให้ทำเราก็รักษาสินอยากสินข้าขึ้นไปสู่สินแป8ไปสู่สนศรยยี สิ่ของนักบวชตามลำดับต่อไปแล้วก็ให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับให้นั่งสมาธิสหรับกับการเดินจนกงกรมเพื่อทําจิตให้รวมเป็นเอกตาลงให้จิตเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความว่างนี้แล้พอได้ความสุขที่เกิดจากความว่างนี้แล้วก็ให้รักษาความสุคนี้ ความว่านี้เวลาออกจากสมาธิคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางการมากตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาด้วยการใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของการคิดไปในทางสมุทยัยคิดไปในทางตันหาทั้งสานี้ถ้ามีปัญญาแนละ้วก็จะสามารถสอนใจให้รังงับ ความคิดไปในทางกามวัตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้พอไม่มีตัญหาทั้งสามนี้อยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีความทุกข์ก็เป็นปรมังสุขขังเป็นปรามังสุญญ์อย่างเป็นพระนิพพานเป็นการสิ้นสุดแห่งการเดินทางในภกน้อยภพใหญ่เพราะได้ พบบ้านแล้วได้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจต้องการก็คือปรมังสุขฐานนี่เองพระพุทธเจ้าพระอนันต์ทั้งหลายท่านไม่ไปเกิดอีกแล้วเพราะท่านไม่ง้อีกแล้วท่านฉลาดแล้วท่านรู้แล้วว่าการเกิดนั้นไม่ได้เป็นการพาไปสู่ความสุขการเกิดย่อมพาไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย พาไปสู่การพัดผ้าจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆผู้ที่ไม่ต้องการมีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นนี่คือสัมมาทิฏฐิที่พวกเราควรที่จะเจริญอยู่หนึง่นงๆเจริญอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่เจริญไม่เจริญอยู่ยบ่อยๆแล้วกิเลสความหลงจะเข้ามาหลอกหลอนให้เราหลง คิดว่าการหาราบยศธรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขเป็นสิ่งที่ควรจะหาให้มกหากๆแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยระลึกถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่า น, นี้ว่าไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ย่อมมีความทุกข์ตามมาเวล า, าที่สิ่งที่ที่มีอยู่นั้นสูญหายไ ป, ไป เป็นอนัตตาก็คือไม่สามารถวงทับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่สามารถสั่งให้อยู่กับตนไปได้ตลอดเวลาต้องมีบางเวลาที่จะต้องทัดท่าจากกันไปเวลาเกิดการทัดท่าจากกันไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ล่ะเป็นสัมมาทิฏฐิธรรมะของพระเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมด เป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะเป็นความเห็นที่จะนำพาไปสู่การกระทที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีภายในใจให้หมดสิ้นไปเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภานยในใจอย่างท้าววถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะมีสัมมาสังกปรตามมา มีสัมมาสังกัปโปเราก็จะมีสัมมาวจจะสัมมาธรรมโตตามมาสัมมาอาชิโร่ตามมาสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายโมงตามมาถ้ามีครบทั้ง8ปดองนี้มากขผงนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปอย่างแน่นอนเพราะนี้เป็นสูตรตายตัวเหมือนกับชาวนาชาวไร่เขาเรื่องกันว่าถ้าปลูกข้าวมันก็ต้องได้ข้าวอย่างแน่นอน ปลกกล้วยก็ต้องได้กล้วยอย่างแน่นอนปลูกผลมะมาชนิดใดก็จะได้ผลมะาชนิดนั้นแน่นอนไม่มีวันที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้ไม่ใช่ปลูกกล่วยแล้วพอผลออกมากลายเป็นส่อมไปอย่างนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้ามีการเจริญมากแบบอย่างสมบูรณ์แล้วจะทําให้เกิดมีการเวียนว่าตายเกิดตามมาก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้น ถ้ามีการเจริญมากแบบได้อย่างสมบูรณ์แล้วการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราอย่าดังเลยอย่าสงสัยให้ยึดมั่นอยู่กับพระธธรรมประสงค์อย่ามาเขยกับคำพูดของหมอดูคนนั้นหมอดูคนนี้อย่ามาเขยกับสิ่งต่างๆที่มาหลอกล่อใจเราให้เราไป พึ่งเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมโพสงเท่านั้นเพราะมี พ, พุทธพระธรรมโพสงเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานได้พาให้เราสู่ความสิ้นสุดแห่งการเวีนว่ายตาเกิดได้ดังนั้นขอให้เราปลูกฝังใจเราให้แน่วแน่อยู่กับ พ, พุทธพระธรรมโพสงด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ผ่านศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่แล้วเราจะมีสาระเป็นที่พึ่งภายในใจของเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเกิดพบในชาติใดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ฝังอยู่ในใจที่ปิดที่ติดไปกับใจเราจะในชาตินี้ไป เราก็ไม่ต้องกัวงวลว่าไปเกิดชาติน้าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่เพราะเราสามารถเอาพระพุทธศาสนาติดไปกับเราได้ถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นที่เราไม่มีความสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงค์ก็คือท่านของพระอริยบุคคลนั่นเองท่านของพระโสดาบันท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงค์ว่ามีจริงหรือไม่ว่าจะสามารถนำพา ให้ไปสู่พระนิพพานได้หรือไม่ท่านรู้แล้วว่าทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็คือมรรคที่มีองค์แปหรือทางศีลภาวนานี้เองจะยึดอยู่กับการปฏิบัติแนวนี้ไปตลอดทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเวลาใดจะไม่เชื่อเรื่องของชาวบ้านต่างๆจะไม่เชื่อเรื่องดูชาลาหุมไม่เชื่อเรื่องหวงจุย้ยไม่เชื่อเรื่องเะดู ด, ดูดวงดูดาวดูอะไรต่างๆ จะเชื่ออยู่ที่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือการจเจริญมรรคแปดนี่เองมรรคแปดนี้ก็ก็คือเป็นการสร้างกรรมดีนั่นเองถ้าประพฤติในมรรคแปดเขากกเรียกว่ากําลังทํากรรมดีถ้ากรรมดีทํากรรมดีผลมันก็ต้องมีตามมาอย่างแน่นอนถึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาสัมมาทิฏฐิที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้เอาไว้ให้คู่อยู่กับใจไปตลอด เพื่อจะได้เป็นแสงสว่างนำทางนำชีวิตพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือบ้านของเราที่มีแต่ความสุขนี้ต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกร่เวลาก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน ไม่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็เพราะขาดการปฏิบัติถ้านนั่นคือปฏิบัติไม่ถึงยังไม่ยังไม่พอที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาที่จะทําให้ไม่หลงไม่ลมืให้มีความเห็นนี้อยู่ไปตลอดความเห็นที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ถ้าเราไม่เอาไปจเจริญต่อเดี๋ยวมันก็จะถูก ความเห็นอย่างอื่นตามมากบไปพอออกจากที่นี่ไปก็ไปรับความเห็นต่างๆจากผู้ที่มีความเห็นอันหลากหลายส่วนย่างก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกนี้มากกว่าเห็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมกันพอมีความเห็นอย่างอื่นเข้ามาภายในใจก็ความเห็นอันนี้ก็จะถูกกรบไปจางไปหายไป พระจุทธเจ้า ต, ต, ต, ต, ต้องสอนให้ทำธรรมอยู่อย่างสม่ําเสมอการเลนะธรรมะสวรรคเอกธรมังกมุตตมันการทำธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นการเติมสมาธิฐินั้นเองที่มันจะจางไปหมดไปเหมือนกับที่เราถ้าเราใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินใช้เติมใช <Lead> ้ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเงินก็จะหมด ถ้าเราไม่เติมก็จะใช้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันต้องฟังธรรมอย่างน้อยก็ทุกวันธรรมวัวนังวันธรรมวัวนังก็คือวั น, ว, นวันฟังธรรมอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่ข้างหนึง่งที่เราเรียกกันว่าวันพระวันนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะปหยุดภารกิจการทราหากินต่างๆเพื่อเข้าวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกัน เนื่องจากในสมัยก่อนพุทธศาสนิกชนนี้ไม่มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือศึกษาได้ด้วยตนเองก็เลยต้องอาศาาาัยพระเป็นผู้สอนก็ต้องหยุดการทำ ง, งานหนึ่งวันเพื่อเข้าวัดเมื่อมาวัดก็ได้ทำทานและรักษาศีลแล้วก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่เจริญก้าวหน้า พุทธศาสนิกชนนี้สามารถเข้าถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยไปไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมก็ได้สามารถอ่านหนังสือธรรมะได้สามารถฟังเทศเสียงบันทึกของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายได้สามารถฟังได้ทั้งวันเลยไม่ต้องรอให้ฟังแต่อาทิตย์ละครัค้ง ยังไงโองกาสที่จะบรรลุมากพอใ น, นในสมัยนี้มันมีมากกว่าหลายร้อยเท่าเลยกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยสมัยโบราณที่จะต้องรออาทิตย์ละครั้งที่จะไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมสักครั้งนี่ฟังได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยสามารถพบติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งนะอันนี้นะถ้าถ้าเป็นผู้ฝ่ายทําแล้วจะรู้สึกดีออกดีใจ ว่าโอ้โหได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องจะมีแต่ธรรมะหมุนอยู่ภายในใจตลอดเวล า, อาลองตรวดฟังดูสักวันฟังไปทั้งวันเสียหูฟังไว้แล้วก็ทําอะไรก็ทําไปเดี๋ยวนี้เครื่องเล่นต่างๆก็บันทึกเสียงได้หมดเก็บเสียงได้หมดโทรศัพท์ก็เก็บเสียงได้เครื่องดูเครื่องอะไรก็เก็บเสียงได้เอาใส่พวกติดตัวไปได้ ฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้ฟังในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็คือไม่ได้ฟังเรื่องสัมมาทิฏฐินั่นเองสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินได้ฟังกับเรื่องของมิจฉาทิฐิทั้งนั้นอันนั้นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติของเราที่ดินของเราบริษัทของเราเงินของเรา มีแต่ของเราทั้งนั้นเราเป็นไงใจร้อนได้เย็นเวลามีอะไรเป็นของเรามันก็ร้อนขึ้นมาถ้าคิดว่าทุกอย่างไม่เป็นของเรามันจะเย็นจะสบายเลยเมื่อไม่เป็นของเราจะไปทุกข์กับมันทำไมเราเคยทุกขกับของคนอื่นใช่ไหมของคนอื่นเขาจะพังชิบหายแรงเห็นเดือดร้อนของเรานี่พอจะนิดอะไรหน่อยอ็วุ่นวายขึ้นมาเพราะเป็นของเราเ นั่นแหละมิจฉาทิฏฐิก็อย่างเงี้ยทุกครั้งที่จะคิดอะไรอย่าไปคิดว่าเป็นของเราถ้าเป็นของเราก็เป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นเองอร <c oughs> ักษาได้ก็รักษามันไปรักษาไม่ได้ก็ช่างหัวมันมันจะไปก็ให้มันไป <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังคือสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าเราฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะจําได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็จะทำให้จิตของเราสงบจิตของเราเย็นจิตของเราสบายมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินี่คืออันที่ส์ของการความทรรมกำจัดความสงสัยในท พ, พุพทธธรรมประสงได้กำจัดความความเห็นที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราได้เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราทั้งอย่างเพียงแต่เราไม่พิจารณากันมันก็เลยกลายเป็นของเราไปหล มันเป็นของเราต่าอไงมันเป็นของโลกนี้มาต่างแต่ดึกนาบันแล้วมันมีมาก่อนที่เรามาเกิดแล้วมันจะมีต่อไปหลังจากที่เราไปแล้วมันจะเป็นของเราต่างไงเรามาตู่เอาไว้ว่าเป็นของเราตรู่ด้วยความหลงแล้วก็เชื่อยอย่างง่ายได้ยักเชื่ออย่างง่ายได้หลงยึดติดอย่างง่ายได้อันนี้แหละต้องมีธรรมะมาคอย คอยลากคอยค่อยคอยแยกใจให้ออกจากสิ่งต่างๆถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็ยึดติดกันเหมือนกาตาช้างเเวลาจากกันแต่ละขั้นนี่โอ้หร้องหม่มร้องไห้กันเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยเพอไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ฟังเทศฟังธรรมกัน <c oughs> มันต้องพยายฟังเทศฟังธรรม แล้วก็นําเอาไปพิจารณาต่อเพื่อเราจะได้นําไปสู่การปฏิบัติได้เวลาจะวิดจะคิดว่าอะไรเป็นของเรา <c oughs> ก็จะมีสัมมาทิฏฐิมาบอกเฮ้ยไม่ใช่ของเรานะมันจะอยู่กับเราก็อยู่ไปมันจะไปก็เรื่องของ ม, มันเราไปห้ามมันไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทิ้งมันไปอยู่ดีถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากความทุกข์ต่างๆก็จะบ่อยบาไปหายไปพอเห็นผลว่าโอใจเราดีขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้น ต่อไปก็จะคิดอย่างนี้ไปตลอดคิดว่าไม่มีอะไรเป็นขอเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอ น, นไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรจะให้ความสุขของเรานอกจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากการยุติกับความอยากต่างๆอันนี้แหละที่จะให้ความสุขของเราให้ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ง่าจะตายไป ทำเรื่องยากเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปกไปวุ่นวายกับว่าอะไรมาก่อนอนะ้รหลังปัญญามาก่อนศีลมาก่อนสมาธิไปวุ่นกับมันทําไมพวกที่ไม่ปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพวกปฏิบัติเขาไม่มีปัญหาหกับกับทำของพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่ปฏิบัตนะิมีปฏิมีปัญหาเพราะเป็นพวกตาตาบอดคำช้างและก็มาถีมกันว่าช้างตัวนี้เป็นอย่างนั้นตัวนี้เป็นอย่างนี้คนที่ไปจับ ขางก็ว่าช้างนี่เป็นเชือกก่อนที่ไปจับทองก็ว่าเป็นผ้าผนังคนที่ไปจับงูก็เป็นงูไปจับงาก็าเป็นหอกมันก็ถูกทุกคนแต่มันถูกแล้วมันได้ไปอยู่กับเรความถูกนี้มันไม่ถูกมันต้องถูกเพื่อมาดับทุกข์แต่เราต้องเอามาดับทุกข์ได้เอามาดับปิเล ต, ตันหาได้ นี่ปฏิบัติแล้วเกิดกิเลสตัณหามากขึ้นอย่างโอดดีโอดเก่งกันมาเถียงกันปากเปียกปากฉี่กันธรรมะก็กลายเป็นธรรมเมาไป <c oughs> เราได้ยินของปู่แหวนท่านพูดไว้ใ่าหมธรรมะระวังธรรมะมันจะกลายเป็นธรรมเมาพวกที่ดู้ธรรมะมากๆเนี่มันจะเมาธรรมะมันจะปากเปียกปากฉี่กันเถียงกันคอคอแตกไปเลย ไม่ใช่กิเลสแต่คอแตกถ้าธรรมะแล้วกิเลสต้องกระ จ, จายไปเหมือนน้อตาเลยมาทีกิเลสของข้าเนี่กระจายเลยแบบนั้นแหละธรรมะน้กตาเลยมาทีจิตนี่งสงบกัเนีย เวลาจะหมดไปนะหมดไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ปีที่แปดก็จะหมดนะสองเดือนให้แล้วในษากับพฤสภาแปดปีแล้วนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไยอะแปดปีมากแล้วในสมัยพระวิจารก็เป็นผ้าหลานกันไปเยอะแ คิดนะคิดจะได้มีพลังจิตขึ้นมามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะวินงสามีฉันทะก็คือความยินดีที่จะปฏิบัติวิริยะก็คือความภาคเพียรปฏิบัติจิตตะก็ใจจะจดจ่ออยู่การปฏิบัติจะคิดแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวมีพภารกิจอะไรก็รีบๆทาให้เสร็จเสร็จแล้วก็รีบไปปฏิบัติทันทีเข้าทางจงกลม เดินจงกรมนั่งสมาธิทันทีเช่นถ้าเป็นพระเสร็จจากกิจจากบิณฑบาตชั้นเสร็จกว่าดถูสาลาเสร็จก็กลับกุฏิแล้วก็ไปเดินจงกรมในป่านั่งสมาธิกันจนกว่าจะถึงเวลาจะต้องปัดกวาดก็ออกมาปัดกวาดปัดกวาดเสร็จดื่มน้ําปาน้ำเสร็จก็กลับไปส่งน้ำส่งน้ำเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาพักสี่ห้าทุ่มนึงพักถึงตีสาม ปีสองปีสามก็เติมเข้ามาเดินจยงคมนั่งสมาธิภาวนาตอจนถึงเวลาออกเดินบินธบไปบินธบนี่คือนี่กิจของนักปฏิบัติต้องทำทาอย่างนี้ทำกิจที่จาเป็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพื่อจะได้มีเวลามาทำกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการภาวนาการเดินจงมขมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา นี่คือมีจิตตะใจจดจ่ออยู่กับภารกิจของตนอย่างแท้จริงถ้ามีจิตตะแล้วก็จะมีวิมังสาใจก็จะไข้ควรพิจารณาในเรื่องกิจของตนพิจารณาว่าจะต้องทำอะไรในตอนนี้ต้องเดินจงกรมหรือต้องนั่งสมาธิต้องพิจารณาอะไรบ้างยังติดอยู่กับอะไรต้องหาอะไรมาแกะมาแก้ ความหลงวันนี้ให้ได้ถ้ายังติดอยู่กับการมาราคะก็ต้องหาอสุภะมาแก้ถ้ายัางติดอยู่กับความกลัวความเจ็บความตายก็ต้องเอาความจริงมายืนยันกันมาพิจารณากันว่าการละล้ามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายนี่อย่างไรมีอะไรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างพิจารณา แล้วความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นภายที่ตรงไหนตัวที่เป็นภายมันไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือวิมังสามันจะค่ายควรอย่างนี้พิจารณาแล้วมันก็จะหาวิธีปฏิบัติเพื่อหยความอยากเหล่านี้ให้ได้ อยู่ได้แล้วใจ ก, ก็สบายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการาอรมณ์นี่คือวิมังสาอิทิบาสีฉันทะเวริยะจิตตะวิมังสาถ้าเราใ่อยๆทำธรรมอยู่เรื่อยๆทำธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดศรัทธาเกิดวิริยะที่จะปฏิบัติเกิดจิตตะใจจดจ่ออยู่การปฏิบัติ ก่อนยื่หนหลังสาไข้ขวนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเมื่อทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลายกเว้นเวลาที่จะต้องทําภารกิจอื่นการที่จะทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วรวดเร็วต้องมีอิทธิบาทสิอิทธิบาทแปลว่าทางสู่ความสําเร็จทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิแปลว่า ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ก็คือความสําเร็จน่จะมีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความสําเร็จ <res> เราทําอะไรเราก็ต้องการให้มันสําเร็จ <res> เรียนหนังสือหก็เรียนเพื่อให้มันจบไม่ใช่เรียนเป็นนักเรียนอาชีพเหมือนรุ่งลาวตามนี้เป็นนักเรียนอาชีพขอเรียนไปจนมันตายไม่ขอจบกลัวจะว่างงานกลัวจะไม่มีงานทำกัน นอกจากเรียนแล้วมันก็มีงานปฏิบัติที่ต้องทาต่อมันถึงจะจบได้ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีวันจบนั้นอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเอง mm hmm. เพราะเราไม่ผลักดันตัวเราเองเราจะรอให้สวรรค์มาฉุดรากเราขึ้นสวรรค์ไปกัน mm hmm. เพื่อรอไปเถิไปรอไปจนวันตายก็จะไม่มีวันนั้นอย่างแน่นอน มีแต่ตัวที่จะลนลุดุดล่างเราลงนรลกเสีมากกวาไอตัวนี้ไม่ต้งองรอมันอยู่ในใจเราตลอดเวลามันพร้อมที่จะผักเราไปเสมอเวลาใดที่เราไม่สู้มันเวลานั้นมันก็จะดิงเราไปในโลก ท, ทันทีเดี๋ยวจะเดิงเราไปเสพสุร้ายาเมางไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนชั่วเป็นนิดไปสู่ความเกียดครัางไปสู่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดปวณี พูดปดมดโคบหกหลอกดูไอตัวนี้มันอยู่ในใจเราอยู่แล้วมันพร้อมที่จะโผล่ออกมาดาเนินการทันทีถ้าเราไม่คุมมันไว้ด้วยธร ร, รมะตอนนี้มันมันไม่ออกมาเพราะเราใช้ทานสีนภาวนาคอยควบคุมมันถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวเพล๋อมันจะกลับมาได้นะอย่าประมาทพระเจ้าถึงสอนว่าอย่าประมาท จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดเพราะเวลาของชีวิตเรามันน้อยลงไปทุกวันมันไม่มีมากขึ้นอายุมันมากขึ้นแต่เวลาที่จะอยู่มันน้อยลงอย่าไปหลงผิดคิดว่าโอเราอายุมากขึ้นอายุเรามากขึ้นมากขึ้นเราจะอยู่นานขึ้นไม่ใช่เราจะอยู่น้อยลงไปนีอยูสั้นลงไปดังนั้นเราจะอยู่ถึงรอยปีสงร้มันก็ไม่มันไม่เหลือสองรอปีให้เราอยู่แล้ว ท <c oughs> ี่คือธรรมะที่เราต้องคอยพยายามผลิตขึ้นมาคอยคิดขึ้นอยู่ในใจเรื่อยๆพยายามมองมองความแก่ความเจ็บความตายนี้เรียกว่าเป็นเหมือนกับ เ, เป็นเหมือนกับป้ายบอกทางเราทํารถเดินทางไปเป็นป้ายบอกอีกกีเราจะถึงเมืองนี้แล้เนี่ยอีกกีเราจะถึงเมืองนี้แนละ เราเห็นคนแก่เขาบอกว่าเราใกล้แล้วนะเห็นคนเจ็บไข้ใม่ป่วยเขาบอกเราใกล้เข้าไปแล้วนะไปงานสบก็ เ, เราใกล้เข้าไปทุกวันลนลยเรายังรอจะมาทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่มรีบทากิดที่เราควรจะกระทำกันเจือทีถ้าคิดอย่างนี้รับรองได้ว่ามันจะท ำ, ำทันทีเลคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เนียงๆเรามีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพากจากสาญวัของเจรย์ใจทั้งหลายทัああ้งปวงไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ไปทุกวันทุกเวลาแล้วเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจจะได้รีบทํากิจที่เราควรจะทํา จะได้มีที่พึ่งจะได้มีความสุขไยตลอดไม่มีใครทําให้เราได้เราเป็นผู้กระทําเราเป็นที่พึ่งของเราเองจนเป็นที่พึ่งของตอนอัตตาหิอัตโนนาโถอันนี้แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดเรามีพระพุทธพระธรรมทั้งสองเป็นผู้นำทาง เป็นที่พึ่งในฐานะเป็นผู้นําทางแต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้มีพระพุพะทธธรรพระสงฆ์ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนมีแผนที่แล้วแต่ไม่ออกเดินทางก็ไม่ไปถึงถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องมีแผนที่และต้องมีการออกเดินทางถึงจะถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทาำ ถ้าออกเดินทางไม่มีแผนที่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะจะหลงทางทันไปก็ต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนมีที่พึ่งทางใจทางทางทางผู้นําทางและทางผู้ปฏิบัติอัตตาเหตอัตโนนาติของนี้เป็นที่พึ่งของการปฏิของผู้ปฏิบัติส่วนพุทธังธรรมังสามังสารนังกาเทานี้ก็เป็นผู้นําทาง เราให้เดินตามทางที่พระเจ้าทรงสอนทรงบอกเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน